จะนิ่งหรือจะพูดก็เป็นปกตินั่นเองจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็เป็นปกติอยู่นั่นเองดังนี้ก็คือศีลขนั้นความที่ตั้งใจ ขึงพระพุทธเจ้าประธรรมเป็นประสงค์ดังสูตรว่าบุษทังสนังกัามิทำมังสนังกัามิสร้างขังสนังกัจามิก็ดีหรือนัตถิเมสรนังอัญญงบุตโธเมสรนังวรังทำโมเมสนังวรังสร้างโคเมสรนังวรัง ดังกล่าวมาข้างตนนั่นก็ดีก็เป็นอันอันเชิญพระพุทธเจ้าประรรบประสง์มาตั้งอยู่ในจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นจิตก็เป็นจิตที่มีสรณะขึ้นมาเป็นจิตที่มีศีลขึ้นมาจึงเป็นพื้นฐาน สำหรับสมาธิและสำหรับปัญญาต่อไปและพื้นฐานดังกล่าวนี้เราควรที่จะได้ตั้งใจให้มีขึ้นทุกคราวที่ปฏิบัติ ทุกวันก็จะทำให้การปฏิบัติในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือสมาธิปัญญานั้นเป็นไปได้สะุกขึ้นและเมื่อได้สรณะได้ศีล มาเป็นพื้นฐานดังกล่าวนี้ก็ชื่อว่าได้ช่องได้โอกาสได้ความเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติในสมาธิสืบต่อไปถึงปัญญา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 อานาปานสติในหมดธรรมนี้แสดงอาณาปานสติส6บหชั้นโดยที่จัดเป็นขั้นกายานุปัสนาสี่ชั้น เวทนานุปัสนาสี่ชัน้นจิตตานุปัสนาสี่ชัน้นและธรรมานุปัสนาสี่ชัน้นสำหรับที่เป็นทันกายานุปัสนาสี่ชั้นนั้นก็เช่นเดียวกับที่ตรัสแสดงไว้ ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตรโดยที่ตรัสสอนตั้งต้นแต่การที่เข้าไปสู่ป่า เข้าไปสู่คนไม้หรือว่าเข้าไปสู่เรือนว่างนั่งคู่บัรลังตั้งกายตรงดำรงสติ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 ตั้งกายตรงก็คือตั้งกายให้ตรงไม่ให้น้อมไปข้างหน้าไม่ให้น้อมไปข้างหลังไม่ให้น้อมไปข้างซ้ายข้างขวาส่วนจะวางมืออย่างไรในขั้นบาลีไม่ได้แสดงไว้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 เมื่อได้สถานที่ได้จัดการนั่งเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจถึงศรณะและ ตั้งใจให้เป็นศีลขึ้นมาเป็นเบื้องต้นก่อนเพื่อให้เป็นพื้นฐานดังที่กล่าวมาแล้วสถานที่ก็ดีอิริยาบถนั่ง ก็ดีก็นับว่าเป็นการจัดในส่วนภายนอกเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับกายนนับว่าเป็นกา ย, ว, ยวิเวก ค, ความสงัดกาย และก็จัดการอัญเชิญพระพุทธเจ้าประทรบประสงค์มาประทับอยู่ในจิตใจด้วยการถึงสรณะเป็นสรณะคือที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง เพราะเมื่อมีพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์มาประทับอยู่ในจิตใจจิตใจถึงก็จะทำให้จิตใจนี้บริสุทธิ์สงบแลกกล้าหาญไม่หวาดกลัวอะไร แม้ว่าจะไปนั่งอยู่ในป่าจริงๆในโคนไม้จริงๆแม้ว่าจะนั่งอยู่คนเดียวก็ตามเมื่อได้อันเชิญพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์มาประทับอยู่ในจิตโดยการตั้งใจถึงเป็นสณะดังนี้แล้ว ก็จะทำให้ไม่กลัวอะไรไม่กลัวผีสางเทวดาไม่กลัวสัตว์ร้ายใจก็จะบริสุทธิ์และกล้าหาญสงบก็เป็นศีลขึ้นมาดังที่กล่าวแล้ว ก็กำหนดเอาไว้วันนี้เรามีศรณะเรามีศีลเรามีศรณะก็ไม่ต้องกลัวอะไรเรามีศีลก็มีพื้นฐานของสมาธิและ ให้กายวาจาใจนี้เองเป็นที่ตั้งเป็นที่รองรับของสรณะคือพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ของศีลกายวาจาใจนี้ก็จะเป็นศีลขึ้นมาเป็นกายวาจาใจที่สงบที่บริสุทธิ์ เมื่อเป็นดังนี้แล้วกป็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสตอัตตสติมีสติหายใจเข้าสโตปัตสติ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 และมีสองตาก็มองเห็นไปด้านหน้าเท่านั้นไม่เห็นด้านหลังไม่เห็นด้านข้างทั้งสองแต่ว่าที่ว่าให้มีสติให้ตั้งสติมีหน้าโดยรอบนั้นก็เหมือนอย่างว่าร่างกายอันนี้มีสี่หน้า มีหน้าข้างหลังมีหน้าข้างๆสองข้างสีหน้าอย่างพระพรมรูปพระพรมสีหน้าก็แปลว่าเห็นได้ทุกด้านปฏิบัติตั้งสติให้มีหน้าโดยรอบนั้นก็คือ ให้เหมือนอย่างสติมีหน้าสี่หน้าหรือมีหน้าโดยรอบเป็นสติที่รู้ที่เห็นรอบด้านให้ตั้งเอาไว้ดังนี้ก็คือทำจิตนี้เองให้เป็นจิตที่ตั้งเพื่อจะรู้ ร, ร, รู้รอบดารู้รอบด้านให้รู้ในอะไรก็คือให้รู้ในลมหายใจใหายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่น ให้มีสติรู้โดยรอบคือรู้ให้ทั่วถึงทั้งหมดและเมื่อตั้งเป็นแม่บทใหญ่ไว้ดังนี้แล้วจึงได้ตรัสสอนออกไปเป็นสีชั้น คือชั้นที่หนึ่งหายใจเข้ายาวก็ให้รู้หายใจออกยาวก็ให้รู้ชั้นที่สองหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้หายใจออกสั้นก็ให้รู้ชั้นที่สาม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 ทั้งสี่นี้รวมเป็นชั้นกายานุปัสนาดังที่พระพุทธเจา้าได้ตรัสสอนไว้ในข้อกายในมหาสติปทานนนสุดนั้น เป็นคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงที่ท่านสอนให้ปฏิบัติตั้งตนทรรมอาณาปานสติไว้ดังนี้ฉะนั้นในการปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนไว้นี้ โดยยังไม่นึกถึงคำอธิบายของอาจารย์ต่างๆก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ดังในชั้นที่หนึ่งให้ใจเข้ายาว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 ที่เป็นไปอยู่โดยปกตินี้ให้รู้ว่านี่เข้านี่ออกและในข้อว่ายาวนั้นก็คือลมให้ใจเข้าออกที่เป็นไปโดยปกตินี้เองที่เป็นการให้ใจที่ไม่ติดขัดอะไร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 เพราะฉะนั้นก็ทำความรู้ในลมหายใจเข้าก็ผ่านจมูกเข้าไปและเมื่อหายใจออกก็ผ่านจมูกออกมากำหนดดูให้รู้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 แล้วนี่มาถึงข้อสองี่วัดสันนั้นเมื่อได้ตั้งใจกำหนดอยู่ดังนี้ใจก็สงบเข้ากายก็สงบเข้าเมื่อกายและใจสงบเข้า ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้าเองแ ล, และเมื่อละเอียดเข้าเองกอดสั้นเข้าเองเมื่อเป็นดังนี้ก็ให้รู้เมื่อทีแรกนั้น ก็ให้ใจเข้าให้ใจออกยาวและเมื่อกายใจละเอียดเข้าลมให้ใจละเอียดเข้าให้ใจเข้าให้ใจออกอสันเขาเองเมื่อยังยาวนั่นให้ใจเข้าให้ใจออกทวดทองทองก็พองหรือยุบ และเมื่อละเอียดเข้าอาการที่ท้องพองท้ อ, องยุบนั้นก็ลดลงจนถึงเหมือนอย่างไม่พองไม่ยุบครานี้ให้ใจไม่ทั่วท้องเสียแล้วเหมือนอย่างลงมาพึงครึ่งหนึ่งแอตุระคือทรงอก และเมื่อกายและใจละเอียดเข้าอีกลมหายใจก็ละเอียดเข้าอีกก็สั้นเข้าอีกเหมือนอย่างมาแผ่วๆอยู่แค่ปลายจมูกเท่านั้นและเมื่อละเอียดเข้าอีกอาการแผ่วๆนั้นก็หายไปไม่ปรากฏเหมือนอยังไม่หายใจแต่อันที่จริงนั้นไม่ใช่ไม่หายใจใหายใจ ในรายละเอียดมากเป็นไปเองเพราะกายและใจละเอียดมากเข้าอาการหายใจก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนถึงที่แผ่วๆปลายจมูกก็ไม่ปรากฏเป็นลมที่ผ่านเข้าผ่านออกที่ไม่ปรากฏจิตใจก็จะมีความ ปลอดโปรง่งมีความสงบมากขึ้นและเมื่อปฏิบัติมาดังนี้ก็จะไปถึงขั้นที่สามเข้าเองคือว่า จะมีความรู้ในกายทั้งหมดทั้งที่เป็นส่วนรู ป, ปากายส่วนนามากายซึ่งคล้ายๆกับว่ารู้ลมให้ใจนี่เองทั้งหมดใจมารวมอยู่รู้ลมให้ใจทั้งหมด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 มารวมอยู่ในความรู้อันเดียวกันทั้งหมดไม่แตกแยกไปข้างไหนดังนี้ก็เป็นขั้นทีดสารู้กายทั้งหมดให้ใจเข้าให้ใจออกซึ่งในการปฏิบัตินั้นก็ต้องอาศัยการศึกษาคือความตั้งใจสำเนียกกำหนดเราจับรู้กายทั้งหมดให้ใจเข้าให้ใจออก แล้วก็จะเกิดความรู้กายทั้งหมดขึ้นมาและก็ขั้นที่4ก็จะเป็นต่อกันไปเองคือรําเนิกายสังขารเครื่องปรุงกายซึ่งทัญชี้เอาว่ากายสังขารนั้นก็คือโตลมให้ใจนี่แหละเป็นเครื่องปรุงกาย เพราะฉะนั้นก็ระงับลมให้ใจนี้ให้ละเอียดเข้าละเอียดเข้าซึ่งความระงับลมให้ใจนี้ก็เป็นไปเองอยู่แล้วตามการปฏิบัติแต่เมื่อมีความศึกษากําหนดดูแล้วก็ปฏิบัติให้สงบยิ่งขึ้น ก็ทำให้สงบยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปโดยลำดับขึ้นเองก็แปลว่าสั้นเข่าสั้นเข่าดังที่กล่าวมาในข้อสองนั้นจนถึงแผ่วๆอยู่ปลายจมูกหรือจนถึงแผ่วๆนั้นก็ไม่มีหายไปแต่อันที่จริงนั่นไม่ใช่หายไปไหนก็อยู่นั่นแหละแต่ว่ากายใจละเอียดที่สุด ลมหายใจก็ละเอียดที่สุดจนถึงไม่ปรากฏอาการแผ่วๆที่ปลายจมูกซึ่งในขั้นนี้ท้องพองยุบอะไรก็หายหมดไม่มีลมแผ่วๆปรากฏที่ปลายจมูกก็หายหมดไม่มีเหมือนยังอยู่เฉยๆไม่หายใจแต่อันที่จริงนั่นหายใจแต่ว่าละเอียดมากละเอียดที่สุด ดังนี้ก็เป็นขั้นที่สระงับกายยนรังขายเครื่องปรุงกายก็เป็นอันจบขั้นกายานุปัสนาต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป